ตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานศีลวันนี้ศีลของพวกเราที่รักษามาตั้งแต่วันเข้าพรรษาวันนี้เป็นเกือบจะว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วอีกสักรักษาศีลอีกคราวหน้าก็เป็นวันออกพรรษาวันนี้เป็นวันที่16ตุลาพุทธศักราช2553วันออกพรรษาคือวันที่23 สุภาพุทธศักราช2553เป็นอันว่าอีกหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสั ป, ปดาห์หนึ่งวันพระเจวันจากนี้ไปก็เป็นวันออกพรรษาวันประวารณาวันนี้เป็นวันสมทานศินของพวกเราถือว่าเป็นที่หลวงพ่อว่าเป็นโค้งสุดท้ายคื อ, ค อ, คอเกือบจะจบแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้รักษาศินบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่พวกเราได้ ตั้งคำสัตย์ไว้ในก่อนเข้าพรรษาว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถคือรักษาศีลห้าคือนั่นแนหะรักษาศีลอุโบสถคือรักษาศีลแปดจากนั้นข้าพเจ้าจะงดอบายยมกทุกอย่างข้าพเจ้าจะงดสุรางดบุเรอย่างนี้เป็นตน้นจะไหว้พระทุกวันแต่ขอให้พวกเราตรวจตรา ดูตนเองว่าในพรรษานี้เราได้ขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้างนะอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วอย่าให้มันขาดตกบกพร่องคนโบราณเขาบอกว่าเรือล่มบัตรจอดตะบอดบัตรแก่ตะบอดบัตรเมื่ออายุเท่าอายุแก่อันนี้ก็เหมือนกันนั่นะโค้งสุดท้ายเราจะมาขาดในช่วงนี้ไม่ดี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 ขออกพอใจอ่างนั้นแหะเนี่ยกิเลสภายในใจของเรามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานะอย่าให้กิเลสโกหกตนเองให้แข็งขันนะสิ่งห น, นที่เป็นคุณงามความดีให้ตั้งอกตั้งใจทําถ้าตั้งอกตั้งใจทําแล้วนั่นแหะให้ความร่มเย็นเป็นสุขวันนี้ชนะวันวานหน้าชนะวันต่อไปชนะไปเรื่อยอก็เป็นผู้ชนะสิบทศเลยแล้วทีนี้นะต่อเ น, นี้ไปตั้งใจสมาทานศีล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 เป็นขรรษการทุกสาขาอาชีพก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องทำคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ค่อยสนใจในทำคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนานานทีจึงจะได้ยินเสียงพระพูดหรือบางครั้งพวกเราได้ยินอยากสถานีวิทยุพอได้ยินเสียงพระพูดเท่านั้นกับหมุนไปทางอื่นไปฟังเสียงร้องรําทําเพลง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 ถางว่าพวกเราขาดจริยธรรมไปที่ไหน อ, อยู่ในชนกลุ่ ม, มไหนก็มีแต่พกพาอาวุธนี่ไปที่ไหนมีแต่ความต้มตุนหลอกลวงกันไปที่ไหนมีแต่คดโกงกันอย่างนี้พวกเราคิดดูก็แล้วกันว่าจะหาความสุขความสงบรูมเพลินเป็นสุขได้อย่างไรอันนั้นคือว่ายกโลกในยุคนั้นขาดศริธรรมถ้าโลกยกุคใดมีศริยธรรม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 อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินเดี๋ยวนี้เรื่องกากลังดังทั่วโลกประเทศอะไรซิลงซิลีหลวงพ่ออยู่ในป่าหลงพงไพเขาก็มาเลา่าเล่าให้ฟังเป็นเครื่องที่ตื่นเต้นเหมือนกันอ่ะเพราะเหตุไรเพราะคนลงไปหากินใคยๆว่าไปหาอยากหากินอยู่ในพื้นแผ่นดินไปขุดลงขุดแร่จากนั้นก็หลุมแร่มันปิดปิดรู่ะ แล้วก็ไปอยู่ตั้งสองเดือนกว่าไปอยู่ในความมืดเราพวกเราคิดดูกันแล้วกันนะถ้าว่าพวกเราไปอยู่ในห้องมื ด, มดเขาล็อกประตูไว้นะ่ะเพียงวันเดียวเรากดใจจะขาดแล้วไม่รู้เขาจะกินยังไงเขาจะทายยังไงอยู่ในหลุมนะั่นมืดมิดปิดตาไปหมดพวกเราคิดดูสิเนี่ยนะพวกอยู่ข้างนอกเขาก็ไม่ได้นิ่งดูได้กระทั่งปัตเจ้าของประเทศ ประธานาธิบดีของเขาเขาให้ใส่คนให้ความใส่ใจอย่างมากนี่ยน้ำใจถ้าชุมชนไหนกลุ่มไหนให้มีมีน้ำใจช่วยเหลือกันเราได้ยินก็พวกเราได้ยินก็ภาคภูมิใจหรือประทับใจในการกระทําของเขาแต่ถ้าว่าประเทศล่มจมไปแล้วคนสามสบกว่าคนก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรคนงานอีกต่างหากก็ปล่อยปาะละเลย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 โดยมากก็ไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่แต่มีพ่อมีแม่อย่างเห็นไหมสีนามิเมื่อกี้เนี่ยที่ประเทศไทยของเราประสบคนกันยกย่องไปทั่วโลกว่าประเทศไทยมีน้ําใจการช่วยเหลือเจือจานกันเสียบพลังเสียบเสียบวัยก็มีน้ําใจอาหารการบริโภคทุ่มเทกันอย่างสุดๆนี่แหละคนมีน้ําใจอยู่ในกลุ่มใดชุมชนใดยุคใดสมัยใด ความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดเพราะคนมีเมตตาต่อกันถ้ายุคไหนสมัยไหนคนขาดเมตตาต่อกันแล้วหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้นะเพราะฉะนั้นน้ําใจมันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นขอให้คณะทาญาตท ย, ยมลูกหลานทั้งหลายทั้งมวล น, นะให้มีน้ําใจต่อกันแล้วก็สิ่งไหนที่มันจะผิดกฎหมายสิ่งไหนที่มันทําไม่ถูกต้องอย่าไปสแสวงหา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 เดือนกว่าเนี่ยไปถามเขาไสิเขามีความรู้สึกยังไงแปลว่าสุดๆว่างั้นแต่หลวงพ่อว่าเน่ะตายแหละไม่ตายแหละ น, นี่ก็เหมือนกันนะ่ะคนของเราในกลุ่มของเราเนี่ยหลวงพ่อเคยเตือนบอกกล่าวเรื่องยาบ่งยาบ้าคันชา่ายาฝิ่นเฮโรอีนอย่าเอามาขายในท้องถิ่นของเราเนะ่หลูกลาเ น, นะมันรวยจริงอยู่เรารวยแต่ความเอาความทุกข์ให้คนอื่นเขา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 อันนั้นหลวงพ่อเคยพูดมาแล้วบอกว่าได้เต่าเสียหมายังคือหมาพราเนี่ยเขาไปล่าสัตว์นะแต่พอได้เต่ามาแล้วหมาก็ถูกเอมันตายเพราะงั้นแต่งูเหากัดอะไรกัด ไ, ไม่น่าจะไปในจุดนั้นนะ่ะแต่เราได้เต่าก็จริงอยู่แต่มันเสียหมาอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เราได้เงินมานิดหน่อยแต่เสียลูกเสียหลานเสียตัวเองติดยาบงยาบ้าเลยเสียหายเลยท่านนี่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ อยากจะเตือนบอกกล่าวให้แก่แก่คณะสถาน ญ, ญาติโยมทุกทุกท่านนะที่ได้ยินเสียงสถานีวิทยุของหลวงพ่อหลวงพ่อเองมีเจตนาดีรักเมตตาพี่น้องลูกหลานทุกคนทุกทวดหน้าให้มีน้ำใจแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อเองก็ได้ช่วยชุมชนสังคมไม่ได้ปล่อยปลาละเลยทั้งเครื่องมุนพงคึเครื่องมือแพทย์โรงร่าโรงเรียน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 อยากจะให้ประเทศชาติของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่าให้ขัดขัดแย้งกันอย่าให้ทะเลาะเบาแวงกันอย่าให้สังหารซึ่งกันและกันด้วยลาบด้วยยศ เ, เพียงแต่ต้องการยศต้องการลาบเท่านั้นเองก็มาฆ่ากันคนในชาติไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคนแต่ละประเทศทั่วโลกเขาก็คงจะคิดอย่างนั้นแต่ตามจริงมาเปรียบเทียบในหลักของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อได้ยิน หลวงพ่อได้อ่านชาดกอ่านชาดกไว้มากนะอย่างเนี้ยอย่างประเทศชีงลี อ, อย่างที่ว่านะคนไปติดในหลุมหกสิบกว่าวันสองเดือนกว่าเนะี่ยในครั้งพุทธการก็มีนะในครั้งพระพุทธเจ้าของเราเหลวงพ่อจะนำชาดกมาพูดให้แก่พวกเราฟังได้ศึกษานะเอ่อสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาคณะสัตธ า, าติโยม ลูกหลานทั้งหลายในยุคสมัยนั้นเขาเขอเคารพนับถือพระผู้ใจเจ้าผู้ออกบวชก็มีพอออกบวชเป็นสี่ห้าร้อยท่านก็มีพอบวเชเสร็จแล้วกันะ่จับกันเป็นกลุ่มเจ็ดองก็มีสิบกว่าองค์ก็มีองค์สององก็ ม, กมีเป็นสี่ห้าร้อยก็มีออกไปทุ่งกรรมาฐานในป่าไปหาภาวนานในป่าเพราะประเทศอินเดียเป็นประเทศใหญ่กว้างขวางในยุคสมัยนั้นแต่มีพระเจ็ดองเท่านะั้น กราบลาพระพุทธเจ้าไปเดินทุดงในป่าแต่กราบกลาพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาออกไปเดินทุดงเข้าไปป่าเขาลําเนาไพรหาความสงบเพื่อไปภาวนาหานั่งสมาธิมาแต่ภายบาดแบกกรดจากนั้นมาเออคิดถึงพระพุทธเจ้าจวนจะเข้าพรรษาแล้วเนี่ยฝนกําลังจะลงลงมาแล้วเนี่ยป่ะเรากลับเตะเนี่ย เอ่กลับไปกราบพระพุธทธเจ้าที่ที่พวกเรากราบลาพระพุทธเจ้ามาเที่ยววิเวกแล้วนะก็เลยหวนกลับว่งงั้นแหละพอกลับมาทีนี้ตามเดินทางมากับบางทีกัฝนตกบางทีกัฝนไม่ตกแต่หมู่บ้านนั้นนะ่ะติดติดเขาเหมือนนะ่ะเดีถามชาวบ้านก็ว่าที่พักมีที่ไหนชาวบ้านก็อึ้พระโดยมากพระเที่ยวกรรมฐ า, านมาแถบแถบนี้กันนี่ละมีถ้านี่แหละ ขึ้นไปพักได้ท่านพราะกูท่านพระเจ็ดองค์ก็เลยขึ้นไปพอขึ้นไปทีนี้ก็ไปอยู่ที่นั่นฝนตกแรงเลยพอตกแรงเลยก้อนหินมันมันสไลด์ลงมาจากเขาน่ะมันปิดเลยอ่ะปิดปากถ้ำเหมือนกันปิดปากถ้าทีนี้ก็โอ้ออกไม่ได้เลยพวกชาวบ้านไปเห็นก็โมดปัญญามันไม่มีแม็กโคไม่มี เครื่องทุ่นแรงหมือนอย่างทุกวันนี้นะสมัยนั้นบางงานแตไปเห็นหมดไม่รู้จะเอาอย่างไรพราางพระก็อยู่ทัางในผ้าก็อยู่ทั้งในไม่รู้จะเอาอย่างไงอ<ส>น้ําก็มันดีมันคงจะมีอยู่น้ําก็คงจะมีอยู่บ้างแต่อาหารเนี่ยสิพระจะมีอาหารได้อย่างไงแต่เิลีนี่ยเขายังโชคดีนันก็ยังมีอาหารยังมีน้ํากินเขายังปล่อยออกซิเจนลงไปอีกต่างหากเพอยุคนี้สมัยนี้แต่พระเจ็ดองค์สมัยนั้นน่ย ปิดอยู่ในถ้มแต่ก็คงจะมีช่องหายใจอยู่หรอกแต่เอาอาหารกับน้ำเลยสิก็น่าคิดเหมือนกันทั้งเจ็วันเนี่ยใครจะไปตุ่น้ำไวข้ไวขนาดนั้นน่ะแต่ทีนี้พอเจ็ดวันก้อนหินก้อนน้ำมันเลยไล้ายลงไปอีกมันเลยเปิดช่องพระเจ็ดองค์เลยออกมาได้พอออกมาได้ตายตายตาตา ย, ตา ย, ตายเกือบตายข่าวนี่อย่างนั้นพอจะได้มาอีกอ้ก็ลาจาก พี่น้องชาวบ้านเข้ามาอีกพอเดินมาไฟไหมป่าทีนีอไฟไหมป่ามีหญ้าอมีหญ้าต้นกองหนึ่งพอมันไฟมันไหมมันกับมันลอยขึ้นบนอากาศก่อหญ้านะก่อหญ้าลอยขึ้นไปในอากาศกาไม่รู้จักมาจากที่ไหนที่บินอ้ากกล้ากวาเอาหัวสุกเข้าไปในก่อหญ้าให้มันไฟกําลังติดอยู่บนอากาศักาตอนกับไฟไหมกาตอนอีก ออกมาอีกพระสงฆ์เจ็ดลูกเอแปกไว้เราเห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นจากนั้นก็ลงมาน้ำเถอะลงมากันนี่แหละแต่คงจะมาทุกวันนี่ก็คงจะมาแต่หัวหินมาจันมาละยองอย่างนั้นแ่ะแค่ใครเขาว่าจี่เรือใหญ่ม า, แ ล, ลม า, ลมาแล้วได้ขึ้นเรือมาพอขึ้นมือเรือมาได้สามวันพอถึงสามวันเลยที่พอสามวัน พอเรือถึงกลางมหาสมุทรกลางทะเลเนี่เรือไม่ไปเลมันหมุนอยู่อย่างนั้น อ, อนายเรือเนี่ยพยายามชักใบขนาดไหนมันก็ไม่ไปชักใบชักแล้วชักอีกลมแรงมามันก็ไม่ไปแค่มันหมุนเวียนนายเรือก็าบอกเออทางลักษณะอย่างนี้นะ่ออคนโบราณเขาว่าเนี่ยมันต้องมีคนการลักกินอีอยู่ในรถในเรือของเรานะอกันนี้กับปรึกษากันเลยทีนี้เพราะ มีคนมากกันหลายร้อยคนเนี่ยปรึกษากันเสร็จแล้วก็เอา้าถ้าเป็นลั ก, ลกษณะนี้ก็สักเคเทพเจ้าเหล่าเทว า, างั้นเนีอสักเคเทพเจ้าเหล่าเทวาเป็นสักขีพยานถ้าว่าใครเป็นคนกาล ก, กินีอยู่ในเนี่ยให้จับฉลากกันเทไเขาก็เลยทำเป็นกระดาษกี่คนเหมือนกันสมม่วนมัวห้าร้อยคนเนี่ยเขาก็ทำห้าร้อยใบให้จับคนละใบเลยจับตั้งแต่ นายเรือนั่นแหละว่างั้นเถอะเขาจับตั้งแต่นายเรือกับตันเรือนั่นแหะจับลงไปทุกคน<ม>เพราะว่าทําเป็นฉลาดเสร็จแล้วก่อใส่คันแล้วก็แจกแจกไปพอแจกไปไปถูกเมียของกับตันแต่เมียในใ น, ในเรือใหญ่พอจับครั้งทหนึ่งเออคงจะบังเอิญมั้งเอาเอกสักเทเทพรเจ้าเราเทวาอีกว่างั้นะเถ อ, อถ้าว่า เรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่มันเหลือไม่ไปเนี่ยอยู่กับผู้ใดเป็นการละกีดีให้คนนั้นจับจับถูกใบแดงเอกเนี่ยมีใบแดงอยู่ใบเดียวอย่างั้นเถะพอจับไปเอกโทกอีกอบักครั้งที่สองอ่าเาแปลกใจอะไรตันี้เอาเอกเออเอาให้จริงจังทันี่เอาครั้งที่สามซะก่อนเพื่อความมั่นใจอย่างนั้นเถ อ, เ อ, อจากนั้นพอครั้งที่สามเลย เมียนายเรือก็จับถูกอีกเป็นครั้งที่สามพอจับถูกครั้งที่สามเทํทำยังไงทีนี่นายเรือก็โอ้ถึงจะรักขนาดไหนก็ทำยังไงได้พวกคนในเรือตั้งหลยร้อยคนน่ก็เลยบอกสั่งเลยเอา้าถอดเครื่องประดับเขาซะถอดเครื่องประดับเขาซะปะโยนเขาลงทะเลวะกันนายเรือพอพูดท่านนายเรือก็หันหลังเลยงี้ไม่อยากจะเห็นการกระทําของคนคนทั้งหลายมันก็กลัวตายทีนี่ เอาจับจับเขาก็ว่านะั่นเอแล้วเมียนายเรืออีนางเนี่ยโอ้โหร้องให้เสียงมิถิไลเก็ร้องหมดฉกฉุดเสียงเหล่านั้นทีนเองทีนี้เขาก็จับปลดเครื่องประดับออกถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อคงจะให้ไม้กระดานอะไรนะของที่มันลอยลอยน้ำให้จับยัดใจเรือป้ายป้ายก็คงจะว่านะแต่พวกนั้นก็เกิดไปเหมือนกันนะพอจากนั้นมาจับเอาเชือกมาได้แล้วก็เอากระป๋องใส่ทรายใสย่สหินเนี่ยมันหนักๆเหมือนกันเลย มัดคออินางเนี่ยอินางนายเรือโยนลงไปในน้ำเลยว่งั้นเลเรือเอขอมันก็นหนักใช่ไหมแหละมันก็นลากคอคนลงไปในใต้มหาสมุทรนั่นแหละอินางนี่ก็เลยตายพอโยนไปท่านั้นเรือก็ชักใบขึ้นมาแต่เนี้ยวิ่วเลยว่างั้นเลยวิ ว, ว, วข้ไปหาฝั่งอย่างที่เขาต้องการจะไปแล้วั่นแะถึงฝั่งแต่เนี้ย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 พอหายเหนื่อยทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ตรงไหนยังไงจานั้นก็เลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าในช่วงบ่ายพอไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทองค์พระพุทธเจ้าถามว่าพวกเธอจากไหนมาพระสงฆ์เหล่านั้นก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ไปภาวนาอยู่ในถิ่นนั้นเขตนั้นเป็นไงสงบดีไม้มพระพธธองค์ก็ถามไทย สาระถูกสุกดิบของพระสงฆ์เจ็ดรูปพระสงฆ์เจรูปนั่นก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าโอ้ข้าพระองค์ไปเดินทุวร์องขากลับมาเนี่ยนะประสบภัยวิบัติหรืรอว่าสิ่งที่ไม่ไม่พึงปรารถนาที่ข้าพระองค์ได้พบมันด้วยเหตุอันไดหนอะระเจ้าค่ะไปยังไงก็เลยเล่าเล่ากราบทูลพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตัวเองเจ็ดองค์อยู่ในถ้าแล้วก็เห็นกาไฟไหมกาแล้วก็เห็น หพัญญาของนายสเผ่ากันพระพุทธองค์บอกว่ากรรมกรรมในอดีตอดีตกรรมของสิ่งทั้งทั้งสามอย่างมีที่ไปที่มาอดีตกรรมของอดีตกรรมของเขาคือคือเขาทำกรรมไว้ในอดีตเขาจึงได้พบอย่างนี้พระสงฆ์เหล่านั้นพระสงฆ์ทั้งหลายองค์ที่นั่งฟังกราบทุนพระพุทธเจา้าอะกรรมอันไหนหนอพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่านี่นีะ่ะ พระสงฆ์เจ็ดรูปเนี่ยสกอนเนี่ยเป็นเป็นชาวบ้านนอกเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวฝูงเหมือนกันเถะคือมีคนนั่นกัมีวัวยี่สิบตัวสามสิบตัวนั้นแต่ขนาดนะเจ็ดคนก็เลยรวมกันแล้วก็ไปเลี้ยงวันนี้ไปเลี้ยงทางตะวันออกเพราะมันมีมันมีไอชนามหญ้าเป็นลานหญ้าเรืกว่าเป็นปา่าหญ้าที่เลี้ยงวัวทางทิศตะวันออกเจ็ดวันพอ เจ็ดวันบัวมันกินหมดห้าหมดแล้วเอาไปทิศตะวันตกให้วัวไปกินทางทิศตะวันตกอีกเจ็ดวันเอ่แล้วก็พอเจ็ดวันยาทางนี้มันงอกเกยขึ้นมาแล้วเอากลับมามากินหญ่าให้เข้าว่าเจ็ดวันเออในหมู่บ้านของเขาแต่ทีนี้พอวันหนึ่งเอ่มาเลี้ยงบัวทางทิศตะวันออกวันนั้นเป็นวันจุดท้ายแล้วแต่เนี่ยเอ่พอไปพอกําลังจะเลี้ยงวัว เด็กถลายไปเห็นไปเห็นตะกวดอตะกวดคือคล้ายๆกับเหรียญนี่แหละตัวเงินตัวทองนะ่ะแต่ภาษาพวกเราคงจะรู้จักกันดีว่าแลนนะ่ะอแลนและตะกวดนมันวิ่งเข้าจอมปวกออมันไม่มีที่ไปมันก็วิ่งเข้าจอมปวกตะกวดแลนพอวิ่งเข้าจอมปวกเด็กเจ็ดคนนี่ก็ลมกั น, นไปเอหาใบไม้อทําเป็น ฟ่อนแล้วก็เป็นแล้วก็อดรูอะไรงั้นงเงี้ยเออะอดรูอุด ร, ดรูตะกวดตัวนั้นอ่ะกันหาอีกมันจะออกทางไหนอีกทุกทุกรูอุดหมดว่างเงี้ยเถอไม่ให้ตะกวดออกมาได้วันพุ่งนี้แหละพวกเราจะมาแล้วก็ขุดพอขุดเสร็จแล้วเราก็มาย่างเนื้อตะกวดกินละวะอย่างเงี้ยเจ็ดคนจากนั้นครับพอวันลุ้งเคลื่อนเลยมันถึงกําหนดเลย ไปทางทิศตะวันตกเนี่ยเลยไล่วัวไปทางทิศตะวันตกเลื่อมลืมตะกรวดที่ปิดเอาไว้เนะี่ยไปเลี้ยงวัวถึงเจ็ดวันมาพอเจ็ดวันเสร็จแล้วกลับมาทางทิศตะวันออกอยพอมาถึงทิศตะวันออกมาแล้วลึกหน่อยโ อ, โ อ, โอ้ตายพวกเราไปอัดรูตะกรวดไว้นะ่ะไปไปขุดเอามากินเหมือนกันเยเป็นอาหารเที่ยงเคร้าแต่เนีพอไปเปิดไปเปิดลูงั่นแหละตะกรวดตอนั้นมาอยู่ในในลูทั้งเจ็ดวันฮง มันไม่ได้กินอาหารมันไม่ได้กินน้ํามันหมดอะไรตายอยากในชีวิตของมันเหมือนกันลยเออมันหมดอะไรเหมือนนตายเป็นตายมันคงจะว่าอย่างนั้นเพราะมันหิวมากเลมันเลยคลานออกมาเลยเหมือนกันเออคลานออกมาพอคลานออกมาพวกเด็กเด็กเจ็ดคนเห็นโอ้ดูดูแล้วอยจะไปฆ่ามันเถอะจะไปฆ่ามันเถอะเออให้เข้ามามันหิวคงจะหิวมากแน่เหมือนกนเด็กหมูนั้นก็เลยไม่ฆ่ามันเหมือนกันเลยปล่อยมันไปเออตะกวดเท่านั้นก็เลยไป เอนี่แหละถ้าหาว่าเด็กหมูนั้นฆ่ามันนะแปลว่าพระทั้งเจดองค์น่ยคงจะถูกฆ่าเหมือนกันแต่นี่พราะไม่ฆ่าปล่อยออกมาแผ่นดินที่ปิดถ้ำเลยมันสไลด์ออกมาเหมือนกันค่ะนี่แหละนะพวกท่านทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายทั้งเจ็ดองค์เนี่ยนะเคยได้ปิดรูตะกวดเอาไว้นั่นแหละบาปกรรมอันนั้นแหะพวกท่านได้ใช้เอพอฉั้นพวกท่านอย่าทําอีกต่อไป เพราะนั้นพวกเราที่นั่งฟังหลวงพ่อได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยใครไปปิดรูตะกวดไปปิดรูหนูไปปิดรูตุกแกไวค้คิดดูกันแล้วกันนะเเออออบางทีบาปกรรมท่านต้องตามสนองได้ง่ายๆเหมือนกันนะแต่นี้พระสงฆ์เลยกลับทูลถามว่าแล้วกาตัวนั้นแหละพระเจ้าค่ะที่มันปินในอากาศได้ย่าไปอยู่ในซอกคอของมันแล้วไม่กาทั้งตัวเลยตกลงมาตายหมพระพุทธองค์บอกว่ากาตัวนั้น่ะสมัยก่อนเออ กาตอนนั้นเป็น ช, ชาวนาอ่าเป็นชาวนาแลแ้วทนี้ตามปกติอีหนึ่งชาวนาเขาจะต้องฝึกวัววัวล้อวัวเกวียนของเขาแต่ไ้มีวัวตัวหนึ่งที่ไหนเป็นวัววัวถึกวัวตัวพูดว่างั้นแต่อ่าแต่มันกระลำสันแต่ไปฝึกเท่าไหร่มันก็ไม่ไปพ่อฝึกเท่าน้ากันนอนดึงก็ไม่ตีขึ้นไม่ขึ้นดึงลากก็ไม่ขึ้นเออมันนอนลูกเดียวงั้น ไอ้เจ้าของวัวเนอะมึงให้มึงนอนอยู่นี่ว่างั้นจากนั้นมาก็เลยขนฟางเยอะๆมาเลยว่างั้นอะขนฟางมาแล้วก็มาโป๊ะใส่วัวว่างั้นแต่แต่ก็มัดเชือกไว้อีกต่างหากอจากนั้นก็จุดฟางซะเนี่ะพอจุดฟางไอ้เจ้าวัวมันก็คิดว่าเจ้าของทําเล่นใช่ไหมว่าจุดธรรมาดามเคยจุดมาแล้วมันไม่ไปปานี่มันเอาจริงในทีท่สิเนี่ยออโปะใส่จนล้อมตัวจุด ให้มากๆเลยพอจุดเทนั้นแหละวัวก็ น, นอนเฉยอยู่ที่แรกว่นนึงพอร้อนเข้าร้อนเข้าทนไม่ไหวค่อยลุกขโมงสงเสงออกไปที่ไหนได้หนังหลุดละ่ะผลที่สุดวัวตอนนั้นก็เลยตายเหมั้นกะนตายในกองไฟนั่นน่ะนี่แหละกาตัว น, นั้น่ะใช้กรรมมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกองไฟมันอยู่ที่ไหนมันก็เลยเอาคอไปสวมเข้าไปในกองไฟนั้นตาย ใช้ชาติไปแล้วใช้กรรมของตนเองไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วแต่ใ น, นพระเรานั่นก็บอกว่าพวกเก้าวขบผมเดินนั่งเรือมาเอ่แกเป็นหน้าส ด, ดสังเวชใจเมียนายเรือเมียนายกับตันเนี่ยเขาโยนลงน้ํามหาสมุทรมันเป็นด้วยเพราะเหตุในนอพระเจ้าค่ะเพราะพระองค์บอกว่าอาดีตชาติของเขานะ่เมียนายเรือเนี่ยแต่งงานอยู่กินด้วยกันกับสามีเอ่ แล้วต่อมาสามีตายสามีตายพอตายแล้วสามีก็เป็นห่วงพันยาของตนเองโอ๊ยพันยาของข้าจะอยู่อย่างไงนาอเนี่ข้าตายไปแล้วเนี่ยข้าจะอยู่อย่งไรใครๆแบบเป็นห่วงก่อนตายเนี่ยพอห่วงทีนี้พอตายใจขาดไปมาเกิดเป็นหมาเนี่มาเกิดเป็นหมาในบ้านของพันยาเนี่ยเนีพอเกิดขึ้นมาแล้วก โอ้โหเห็นเจ้านายเห็นพันยานยังรักเหมือนเก่าแต่คนมันไม่รักหมาได้สิมันเป็นหมาเลยจะไปรักไะไรยังไงไม่ใช่คนเลยทีนี้หมาตอนนั้นไปที่ไหนนี่พอเจ้านายจะกระดิกไปที่ไหนหมาวิ่งตามเลยวนเนี่อไปไล่ไปนาไปรัว้วไปสวนไปเอไปที่ไหนไหนหมาตอนนั้นติดตามตลอดทีนี้คนทั้งหลายเขากบอคนมันปากยาวอยู่แล้วมันปากหมาอยู่แล้วอย่างนั้นแหละมันปากไม่อยู่เป็นสุกอยู่แล้วเนะี่ย ก็บอกเอ้ยอีนางนี่เห็นไหมเนี่ยผัวมันตายมันเอาหมาเป็นผัวเห็นไหมเนีเ่ยมันเอาหมามาเป็นผัวมันอนีกเ่งเห็นไหมหมาตัวนี้ติดตามมันตลอดถ้าหาว่ามันไม่เอาเป็นผัวหมาตัวนี้มันจะอยู่ติดตามขนาดนี้เหรอนคนทั้งหลายก็พูดขึ้นมาเถพูดขอ้นมาไอ้ยายอีนางนี่กดอายอายชาวบ้านเขาออืมันจงต้องฆ่าหมาตัวนี้ซะก่อนนะ่ะจึงจะจบประงานจากนั้นวันนั้นก็เลย ตัดสินใจอลไวบางอย่างเถอะแอตัดสินใจมาก็เรียกหมาตนมาเรียกหมาตนะหมาก็ดีใจบางอย่างเถอะเพราะเห็ุใดตะกอดมามีแต่หน้าห ง, งิกหน้า ง, ง, งอใส่หมาบางอย่นงะมีแต่จะเอาค้อนทุบค้อนตีหมาบางอย่างะไม่ให้มันไปด้วยแต่วันนั้นเนี่ยเอบกับแสดงอากับกิริยาแบบรักหมาบางอย่างะหมานะ่ะแอแกว้งหางเข้ามาอลไวบางั้นางอะตีอกดีใจมาหาเจ้าของเจ้าของก็อุ้มแล้ยนะพออุ้มเสร็จแล้วก็ไป ไปถึงฝั่งแม่น้ําพอฝั่งแม่น้ำแบบนี่แล้เอาขี้ทรายใส่ใส่กระป๋องนะเอาหินเอาทรายใส่กระป๋องจากนั้นก็มัดคอหมาให้มันสั้นๆกับติดกับกระป๋องใชนะ่ไหมครับเดินเดิ น, เ ด, นเดินลงไปพอเดินลงไปก็โยนกระป๋องตอนนั้นลงไปทนะ่านั้นหมาตอนนั้นก็เลยหวดจุอยู่กับกระป๋องนั่นนะหายแกไม่ออกได้หมาจมจมน้ําใช่ไหม หมาตอนนั้นก็เลยตายนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยอดีตกรรมของเขาเนี่ยผู้หญิงคนนี้บาปกรรมเขาใช้มากล ร, รมมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินี่แหละมาชาติให้เขายังได้ใช้อีกอยู่เพราะนั้นสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำถ้าทำแล้วมันติดภพติดชาติพระพุทธเจ้าจึตรัสเป็นพัมบาลีว่าอกตังลุ ก, กตังเสยโยกรรมชั่วอย่าทาเสียเลยดีกว่า ปัจฉ่าเตปติทุกกตังกรรมชั่วจะทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้โทษเมื่อภายหลังอากตังทุกตังเสโยปัจฉาตปติทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้โทษ เ, เ, เ, เ, เ, เป็นทุกข์เดือดร้อนตนเองเมื่อภายหลังเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะกรรมกรรมชั่วอย่าทำเพราะตายแล้วไม่สูญนะ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 ถ้ากรรมชั่วใครทําเข้าไปแล้วกรรมชั่วนั้นจะตามสนองมันไม่จบอยู่เพียงแค่นี้นะนี่แหละขอให้พวกเราเอ่ยตอนนี้ประเทศชิลีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดยกขึ้นมาเนะี่ยเขาไปอยู่ตั้งเดือนกว่าสองเดือนกว่าเขาคงจะทุกข์ขนาดไหนขณะที่อยู่ในในที่มืดขนาดนั้นนี่แหละเขาคงจะใช้กรรมของเขาแต่ถึงอย่างไงเขาก็พ้นกรรม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 ดูแลพ่อแม่ของตนเองบุตรภรรยาสามีมีแต่ความอบอุ่นอยู่ด้วยกันเกิดพบหน้าชาติหน้าก็จะได้เจอกันอีกแต่ถ้าว่าพวกเรา ม, มีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เข้าใจกันนั่นแหะเกิดพบหน้าชาติหน้ากเกิดมาแล้วกันถกเถียงกันอีกอย่างเก่านั่นแหะเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปทําให้มีขันติให้มีความอดทนในจิตในใจคนเราเนี่ยจะ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 อย่าไปคิดใกล้ถ้าคิดใกล้ๆไม่ได้นะ่ะไม่ได้อย่างใจข้าวไปเจ้าครับอ อ, อะไรมีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหโกรธาขึ้นมาพอแตกสามัคคีกันแล้วมันยากันยากนะเหมือนกับหม้อแตกอย่างนั้นนะถ้าหม้อแตกมันย า, านยากถ้ารักษาไว้ไม่ให้มันแตกนะดีที่สุดนะถ้ามันแตกแล้วยายากยากก็มีเหมือนเกา่าอันนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกหลานอยู่ด้วยกันถ้าว่าแตกสามัคคีกันแล้วหาความสงบ เป็นชุกไม่ได้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็เหมือนกันแตกแยกสมัคคีกันแล้วหาความสงบผาสุกไม่ได้นะ่ะร่างกายของเราก็เหมือนกันร่างกายของเราหัวจุดเท้าเนี่ยแต่งศีรษะจุดเท้าเนี่ยถ้าว่าจุดใด จ, จุดหนึ่งแตกสมัคคีแตกตาตาแตกสมัคคีหูแตกสมัคคีคือปวดหูน่ะปวดตาปวดหัวปวดปวดจมูกปวดลิ้นน่ะปวดผิวหนังปวดนิ้วเท้าอย่างเนี้ย แปว่าแต่และอันน่มันแตกสมัคคีเราตัวของเรามีความสุขไหมถ้ามันแตกสมัคคีมันหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าว่าร่างกายของเราทุกส่วนของร่างกายมีความพร้อมเพียงสมัคคีเราจะเดินเหินไปที่ไหนก็สะดวกสบายทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะร่างกายของเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละคือความสมัคคีเนี่ยเกิดสุขนะถ้าว่าแตกสมัคคีกันแล้วมีแต่ความทุกข์มีแต่ความหายนะนะ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 กระดูกหลวงพ่อเองกระดูกก็จ้องไปทิ้งในเมนในที่เผาศพนั่นแหละ เ, เพราะนั้นเอาแต่คุณงามความดีเท่านั้นะติดจิตติดใจติดนมามธรรมไปด้วยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านเอนเมื่อได้ยินคํานี้ออกมาอย่าไปคิดว่าหลวงพ่อเอาความตายมาขู่กันอมายกมาประเด็นแล้วก็มาให้พวกเราให้ท้ออกท้อใจให้จิตใจของเราห่อเหี่ยวไม่ใช่นะอคนรักกันจึงบอกกล่าวกัน ให้บอกกันไว้นะคือมหันตภัยอันร้ายแรงพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้นะถ้าบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราเต็มเปลี่ยมแล้วพวกเราไม่ต้องกลัวตายแตตายเวลาไหนก็ไปเถอะออกจากภพนี้ชาตินี้พระพุทธจเจ้าท่านว่าถ้าคนได้สั่งสมคุณงามความดีไปแล้วทิ้งภาชนะดินไปเอาภาชนะทองคำํำ เพราะเหตุใดเพราะว่าเราเกิดพบในชาตินี้เราอาจจะไม่ได้เสร็จสวยงดงามไม่ได้มั่งมีสีสุขไม่ได้ยศถาบรรดาสุขสงบรรดาศักดิ์สูงสง่งแต่ถ้าว่าเราทะสั่งสมคุณงามพร้อมดีเต็มบริบูรณ์ดีแล้วออกจากชาตินี้ไปนั่นเราจะมีแต่ความสุขความร่มเย็นเป็นสุขไปเกิดสวรรค์ชั้นผอมไหนก็ไปได้เพราะเหตุใดเพราะเรามีบุญถ้าคนมีบาปแล้วไปอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อให้ หลวงพ่อได้กล่าวสมโมตธนียคาถาให้แก่คณะทายาิโยมผู้ได้ยินได้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของหลวงพ่อเนี่ยขอให้พวกเราทุกท่านนำไปคิดนำไปพิจารณาไตรตองเหตุและผลกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นจะให้พวกเราทุกยากลำบากเมื่อภายหลังหลวงพ่อเตือนว่าเนะี่ย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 หลวงพ่อได้แนะแนวให้แนวความคิดแข่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ยินได้ฟังเห็นว่าสมควรกับการเวลาข อ, อยุติในการพูดตอนน่อในไปคณะสงฆ์จากอนุโมทนาให้พรเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลของพวกเราต่อไป